ให้มีความเชื่อมีความยึดสายเมื่อบวชมาแด้ในวัวดหลวงพ่อผมนี้บวชยากบวชลำบากก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะคืออยากจะทำให้ดีเน่ น, นะที่พวกเธอหลายที่มงมุ่งมาบวชในวัดหลวงพอผมนี้ก็มุ่งว่าอยากจะประบวช ด, ดีประพฤติดีปฏิบัติดี ต่อการให้มีศรัทธาเราต้องใช้เวลาเวลานี่เป็นสิ่งที่สำคัญเวลานี่เป็นเครื่องีิสูจรว่าเราจะมาอยู่กันคราวเดียวเท่านั้นในูเรื่องของเวลาเราอยู่ด้วยกันเด็กกินด้วยกันนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันตนนนั้งหลายวันเวลามันเป็นเครื่องี่สูจว่ามันเป็นยังไงไห บางทีก็อยากจะบวชเมื่อนานไม่บวชบางทีก็ไปอยากจะบวชบางทีก็อยากจะบวชอยู่ที่นี่บางทีก็หนีไปบวชที่อื่นเราก็ไม่ว่าเพราะผู้ผู้ถืว่าไอการบวชนี่มันใจบวช ด, ด้วยถึงแม้จะบวชเจ็ดวันเดือนถึงแต่ใจก็ตั้งมันเดิ น, นะนบวชเพื่ออุทิศต่อพุทธศาสนาของพระสัมมากับสติเจ้าของเรา ไม่เคยบวชแข่งขันกันไม่เคยบวชอะไรต่ออะไรกันไม่เคบวชกันอยู่ถึงในบวชตบวกง่ายๆเอารูปมามาบวชกันนะกองบวชตัวเด็กของยากของง่ายๆทากันง่ายมันบสบายๆไม่ใหมีอะไรเพราะนั้นบางคนมาบวชเป็นสองปีหรือสาปีก็มอยูน่นี่จริงจะได้บวช บวชเป็น น, น, น, นาศแล้วก็ิวัติอย่างนาศต้องมาฝึกอันนี้กันทุกปราชคือผู้ฝึกบวชผู้ที่ฝึกบวชเทียบว่าอุบวาศที่ขมาบวชต้องอยู่ในกัพระอยู่ในดูแลพระรูจักถวายของพระรูจั ก, จกเยื่อพระเป็นอยู่โดยวิธีใด ให้พุ่นเติมให้รู้จักเติมเต็มให้ฝึกอดการเาารย็บผ้าการย่อผ้าการรักษาผ้าการรักษาบาดสารพัดอย่างอีวอมมิตรบาดเสียนาสนะเพรศจีพระอาศัยตันธมอย่างไรอยู่เราจะมาอยู่ น, นานเพื่อจะรู้จักว่าตันธรรมอะไรเป็นอย่างไ ร, ร เ, นเนี่ยพอเราเห็นชัดแล้วทนะีเนี้ช่ยเติมเต็มเมื่อน่ะ เราก็ตั้งใจชอบแล้วอยู่แล้วก็วางใจผิดอันนี้จริงเดียวเป็นเหตุการณ์จุก ป, ประราชการจุด ป, ประราชที่ที่มาทําการบวชเนี่ยการมาย่อจีวรมาทําจียนมาระบุบาสมาฝึกอยู่เนี่ยอพระเจ้าประโสงนี่ให้ได้ได้วิสวดมาให้ให้ให้ฉันได้ได้อะไรมาให้ฉันในทรงข้อเลยอย่างดีเลย เป็นอย่างนีในส่วนคนอืนะ่นเขาอยู่กับกันตุกะราเมื่อการตุกะราเสร็จแล้วฝึกเป็นวาหน้าทีว่าโุกถวายของก็เป็นเนี่ยตะปีของก็เป็นเนี่ยอะไรตะเป็นแน่ต่อไปก็เอือมเข้าไปนะึ่งผ้าหนึฝาเป็นเนอืกจะได้อาบาตใส่มือให้จะได้หกผ้าเรียบร้อยเข้าพิธบาตร์ผมผ้ากับาิิธบาร์ในผ้า ผ้านี่ก็เป็นผ้าเนี่มันเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าลองดพุ่เนี้ยพมปรกอไปนละวโยม น, ก, นกเลยอยากพุ่มพระวินาวาทเ็เดี๋ว่าเขาตักบาตให้สบายงให้เข้าสูขด้ว ย, วยนีวก็ไหว้แล้วด้ว ย, ย น, นั่นแหละย่านทัางเน่าแก่ๆเนี่ยหัวหอกหัวขาวแล้วนะจะต้องวหว้ เพราะอะไรนี่อำนาจของาพากาเจ้าพัดนี้าพากาเจ้าพัดเนี่ยเป็นอำนาจที่สุดถ่ว่าอื่เอาใช้ไปถูกทางเลยย่าผคนตามว่าเน เ, เ่ยไปหกย่านเป็นว่าเลยไปเข้าว่าที่นั่นเข้ามาว่าตรงนั้ น, น, นที่นี่้าราบวชมีครูบาอาจารย์อย่างนึ่เขาเป็นคนดี เป็นผู้มิจัญญาเป็นผู้กล้จิดปองพระพุทธเจ้าของเราแล้วผ่นานป่าบานนี้อันนี้เราอย่ามากัจเจร น, น, นี่ถ้าเราหอมผ้านะย่อมฝากไปแล้วเนะ่ะจะมีคนรบูชาอะไรอะไรคนน้องไ่วทุกสิ่งสารพัดที่เราดูจับอย่างนี้อันนี้เป็นอำนาจนทงชัยของพระพุทธเจ้าของพระราร อย่างนั้นเธอนหลายกระบวตขมาเนี่ยก็ต้องพรมพาาจะวันให้สะดวกช่งเวทที่จะบวชคราวเดียวเก้าวันสิบวั น, น, านายี่สิบวันอะไรก็ตามเองเให้ประกันท่านที่นี่การบวชการบรรพชาในพระพุทธศาสนานี้ให้คำสอนอย่างอื่นเป็มากที่สุดหลายอย่าง แต่ว่าคำสอนในวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะการบรรพชาในวันนี้นะไม่มากทำตามพระบราณอาจารย์ของท่านขับไว้ใหเราบวดใหเราเรียนกรรมฐานเช่นว่ากรรมฐานทั้งห้าคือเกษาโลมานะขาตันตาตาโจรเนถ้าพูดอย่ายมันเป็นของเรียนเล่นใหเราติจนาอะไรเป็นของลึกซึ้งมากทีเดียว เจริญกรรมฐานกรรมฐานคือเ ก, พ, เ ก, พ, พ, กพระเกสาพระโตมาพระนขาพระกันตาพระตะโจตังห้าคือกันเนี่ยอย่างเนี่ยคือผมขนเลบฟันนังถ้ากรรมฐานนี่เกิดแล้วพร้อมที่เราเกิดมามีกรรมฐานแล้วแต่เราไม่นิจจำเป็นจะต้องเรียนมูระกรรมฐานคือเป็นปา่าคือเป็นทางเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเดินชงไปถอปฏิบาน เป็นกันมาทิตฐิอันนี้ท่า น, นเรียนมูลกรรมถานเรียนมูรรมถานอาปรฐานนี่ไปกิริอาตายันนั้นฉะนั้นผเคยจงเรียนพระกรรมฐานวันนี้โดยภาษามาคติท่านไ่นเคยดูจากผมเละไม่ดูจากผมไม่ดูจากขนไม่ดูจากเสไม่ดูจากปาไม่ดูจา ก, จา ก, ามมจากนัน บางคนมันเขามีอยู่จะเรียนไปเทําไมเนาะใครปเขาลืจากคนไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้จักคนไม่เห็นไม่เห็นผมจะอกาความเป็นจริงไม่เห็นขนจากความเป็นจริงไม่เห็นเล็บตามความเป็นจริงไม่เห็นฟันตามความเป็นจริงไม่เห็นหนังตามความเป็นจริงแต่มันก็พี่กาสมบูรถานตัวเชื่ ใครจะเห็นก็เคย อ, อย่างเงื้ยใครจะเห็นก็เคยใชสงสุขภาพรรมฐานไอความเป็นปจริงทำไมจะมาเห็นนี่ผมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไอความเป็นจริงที่เกิดของผมเนี่ยมันก็น่าอุจาระเหมือนกันน่ยมันเกิดมาจากหนังมันดูดกินหน้าเลือดหนํานเหลืองนี่เป็นอาหารมันเกิดมาเป็นผมคนนี่เหมือนกัน ผมฝนเล็บเล็บนีตรงกันสิ่งท้งห้าประการที่ผมฝนเล็บฟั น, นเนี่ยไม่น่าจะสดสใสแอบปวดเราไม่เคยเห็ น, นที่เขาแต่งทุกวันนี่ก็แตงที่มันคล่องแตงที่ว่ามันไม่ดีแตงที่ว่ามันไม่ส ว, วยแต่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องอยาก็แต่งครบวั น, นเห็นไหม ตรงนั้นและตรงมันไปสวยแน่นอนและมันสุกกระโกงมากที่สุดแล้วเขาจึงเป็นแต่เรื่องนี้นมันดีเนี่ยหลงลงกว่าผมมันสวยงดงามส้าระพัดอย่างเนี่ยผมของฉันก็สวยคุณชอบไหมชอบไอ้ความเป็นจริงผมเนี่ะมันจะสวยอะไรไหมไม่มีเรื่องสวยครับ มันจะสะอาดมั้ยไม่มีเรื่องจะสะอาดแกงขีเง้เกแกงว่ายข้นเอจาจับผมมาขวตระบวจะทิ้งไปในหม้ อ, อกแกง น, นนะใครจะฉันะนะนี่ดูสิหรือเอาตะบวตระบวตทิ้ ง, ร ะ, งระหว่างทางใครจะหยิบเอไหมหนัง น, นี่ยทออกมากไปทิ้งในทางถนมนะใครจ ะ, รจะไปวิถวาตรคุงนี้ใครจะ ใครจะไปหยิบเอาไหมนี่นี่คือความจริงของเป็นอย่นี้ถ้ามาแต่งผมขนเล็บฟันหนังขึ้นไปมันสวยสะอาดลงพวกเรานี่จึเป็นคนหลงไม่รู้จักผมการความจริงไม่รู้จักขนตามความจริงไม่รู้จักเล็บไม่รู้จักฟันตามความจริงไม่รู้จักหนังตางความเป็นจริงวิธีนั้นวมืว่อพอหวดจะยกสิ่งห้าอย่างนี้ขึ้นมาผมนี่มันเป็นสวย ขนมันก็ไปสวยเล็กมันก็ไปสวยฟันมันก็เปหนังนี่มันก็ไปสวยสว ย, น, สว ย, ะสว ย, ยนะแต่เขาเอาแป้นเอาอะไรไปปักมาไปแต่มันสวยนี่นะนี่ก็เพราะเราหลงแนั้นเราจรึงหลงกันไม่หิบไปอินระอะไรทั้งหลายมันปกปิดพระไว้พระไม่โผล่เป็นมาเราก็ไม่เห็นอยู่เแค่ น, นั้นแต่จริง มาทําการสอนเนี่ยมันแจ้งสาทิตย์เนี่ยมันแจ้งขาวสาดแบเกษาโรมาหนะาขาสาาันตาตาโจมันเป็นอะไรมันอย่างไรไม่ให้เราชัดอันนี้เราก็เอาไปคิดดูกันนอไปคิดดูกันนะไปพิจารณาดูในกนาารรมฐานทั้งทั้งห้าประการเราพิจารณาดูเกษาโดมานหะน้า อยเมนีะเห็นไหมเม็ดเลียวเกยี่หุ้มอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแต่มันห้มหุมร่างกายแต่มัห้มทุกสิ่งสารพัดทแม้เราม อ, องเห็นถ้าเราไปฉีดน้ออกไปไปอยู่ใ น, ใ น, นันได้หเนาะฉีดั้งท่ทุกคนอีพน้ำมาดูที่นั่งนี่เอาเต็เ น, นื้อหุมอ้มกรนะโหกไว้เอาหนังออกที เน้นน่าจะบิ่งลโบสถ์อย่างนี้แหละมันงไปอยู่หรอกลองดูสินี่มันสวยตรงไหนน่ะเนี่ยอนะ่าเกชาโลการทัทนจาอ่าั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอ่าให้ดูไปถึงที่สุดมันนะมันไม่สวยอย่างนั้นถ้าเราคิดไปถึงที่สุดกินนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่สวยเหมดกําลังใจเลยอื หมดกำลนงใจในก้ อ, อ, อ น, กนนี่งวิสิทพี่ครับอาใยผมขนเล็บฟันนั้นมันมีใช่ของไม่แน่นอ น, น, นแต่เรานี่มันชอบเพราะอยู่มันหนงติดเขาตกแต่งตกแต่งควันเห็ดขาวสะอาดตกแต่งผมตกแก่งขนตกแต่งเล็บตกแต่งสารพัดคือของไม่สวยตนน่างหน่สวยสุดแล้วก็ลงแบบนี่ยออมันลงแบบ มันเห็นไปชัดมันก็หลงอย่างปลาปลามันกินเบ็ดเห็นไหมไอความจริงปลามันไม่กินเบ็ดครับมันกินเหยื่อเนีมันไปกินเหยื่อถ้ามันเห็นเบ็ดจริงจริงมันไม่กินนะปลามันไปเกี่ยวปากก่อนลองดูมันไปกินเข้าไปมันกินเหยื่อแค่าอื่นมันมีเบ็ดเห็นมี่ยมันเกี่ยวปากเห็นไหมไม่ดูเดียนะนี่ พวกเราหลายคนประเมินการจะเห็นผมผลเล็บฟันหนังจริงๆแค่ไม่เอานะืจะแบกไปทําไมไม่เอาไม่แน่นอนอืไอ้ที่คนไปติดจิตคนไม่คนหลงเลยหลงว่าไอ้ผมไอ้ขนไอ้เล็บไอ้ฟันไอ้หน่ามันเป็นของเลือดมันเป็นของกระเจิเป็นของสวยกนะั่น่นแน่เงินกับปลาเนะี่ยปลาในแตนะ่มันกินเด็ดนะมันกินเหยื่อหรือว่ามันกินเด็ด มันไม่รู้เรื่องมันกินเหยื่อแต่ไปกินกับไปนั่งเป็ดเกี่ยวปากมันนั้นดูดไม่ได้อยากจะออกขนาดใจมันก็ออกไม่ได้มันติดแล้วเนี่ยเราคือบัณฑิตาโลมานาธาตันตาตาโจเมื่อเห็นมันชอบมันตรงเลยเอาไปติดในเบ็ดเมื่อรู้สึกตัวมมันตอกปากเลยออกยาออกยาก จะออกไปต่องหวังลูกห่วงสุขภัดห่วงอะไรสารพัดอย่างโดยไม่ได้ไปแต่อยู่นั่นแหละจนตายเนี่ยมันถูกเบ็ดเกี่ยวแบบนี้มันไม่รู้มันลงเองมันเป็นปลาที่มันลงอะมันไม่รู้จักเหยื่อไม่รู้จักเบ็ดถ้ามันรู้จักเบ็ดจริงๆแล้วมันก็ไปกินเบ็ดสนั่นแน่ปลามันไปกินเบ็ดแต่มันกินเหยื่อเข้าใจผิดตัวมันกัน อันนี้เราจะติดในโลกก็เพราะว่าสิ่งทั้งห้าประการนี่มันสวยมันเลิศมันประเสริฐเราึงอยู่บ้านจึงไปชอบไป ส, สนุกเสยยนทะยองอยู่ในสิ่งทั้งหลายเรานั่นจึงจะตายในความจริงมันเรื่องอนิดเดี่ยวไม่ใจะเรื่องมาเรื่องเบ็ดมันเกี่ยวปาลาอะไรนั้นเนี่ยให้เอาไปคิดอยูนะ่ในวันดีนะนฉะนั้นเมื่อเราไปคิดเพียนาแล้วนะเมื่อเราบวชจะมาจะ ไ, ไปกินน้ำยับไปยับมาอีกชั้น เราจะมีความสบายใจ ừ, <ừ. S 1> ถึงไงว่ามันสึกสึกพอความจะเปลี่ยนอะไ น, นี่มันก็จะระวัง <ừ. S 1> ระวังเบียดปฏิเสธเปล่าเปล่า <ừ. S 1> อย่างเนี้ยอันนี้จะให้ความสงบเมื่อเราสึกไปปดีบดัติอยู่ปฏิบัติให้ความสงบมากเพราะเราเห็นธรรมอย่างอย่างแท้จริงอย่างนี้อย่างนั้นถึงไงมันน้อยก็ยังมันเจอต้องพยาปีนาอญาประมาท อันนี้เป็นกรรมฐานที่เือทั้งหลาจะต้องเรียนรู้ในห้รู้เป็นกลุ่ม ก, กลัวแต่คนไม่รู้เพราะมันไม่รู้กันอะไรต่ออะไรมันนี้อันนี้เป็นกรรมฐานโดยย่อทุกๆุกคนจะต้องปีเนเข้าเมื่อเธอบวชกันมาในพระพุทธศาสนาแล้วยังเชื่อตูบาอาจัเคารบคารวะ เช you know, ื่อดูวาอาจารย์ได้นาคำสอนกลัวพระพุทธเ้ากลัวกดของพระพุทธโอรรรรรรรรรรรรรรรอคือกรหมายของพรรรรรรทรกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรระรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรวรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร้รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรวรรรรรรรรรรรรร อยู่ในกวามไม่กระบาดถ้าเราพิจาาอยู่เสมออย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมมาตอฐานตอนน่อไปจะมอบผ้าอีวรผ้าย่อฝาดให้จึงเป็นรงใจของพระอาจารเจ้านี่ไปปกทางนอกนี่พรมนี่เป็นปริมุนคนทาสสุงและทาอีวร งดงามศิลปริมนทศวัดของเราปีนี้สังใจคิดว่าอยากจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมาปฏิบัติกันอย่างเกา่านัน่นั่นจึงจะขอสมวนพระขอสมวนพระที่เคยทำมาแล้วหลายองค์รวมไว้ เนียต่อไปมันจะไม่มีที่ยึดมัดเราดูดูมาแล้วก็รู้ตางสายตาหนึงก็เดี๋ยวว่าน้อยที่สุดเนี่ใครจะมีความตั้งใจปฏิบัติจริงๆงจังๆอยู่ก็ยังมีอยู่แต่เราต้องรู้จักคนที่ต้องมีปัญญา ผมเข้าใจว่าสถานที่อยู่วัดน้องกวพงเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติขอสมบวรสำหรับผู้จะต้องการปฏิบัติเดือที่ว่าข้อปฏิบัติของเรามันอยากจหยอดห ล, ยหลายอย่างโดยมากก็พระยุนรุ่นพิมากระาษีว่าเป็นพระใหม่แะดโดยมาก ก็พอมาถึงในเวลานี้ก็มาจับการปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงที่สุด เ, เพราะว่ามันเปลี่ยนมากเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคมาหลายกันตั้งยี่สิบัวพรรษามี่ทีสมัยก่อนจะเป็นจะเข้าใจว่าพระมันน้อยเนมันน้อยก็ได้สมัยนี้ก็เร็วพระมันมากเนมันมากเป็น แต่กก็ไมหน่าจะควรเป็นควรกลับปฏิบัติของเราควรกลับมาปฏิบัติตามที่เรียกว่าเราดําเนินการงานทุกอย่างเราก็ดูผลงานของเราที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงไหมถ้าผลงานของเราเกิดขึ้นมันไม่สมรุนกันมันเป็นเพราะอะไร ก็หาหนทางเสมอแนะหละไอ้พวกเราที่อยู่โดยกันก็มันเคยเป็นไอ้คนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มาอยู่กับกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติเี่ก็เสือที่จะทนเะลือที่จะทนอันนี้ก็เป็นได้แต่ไอ้แ น, นทางที่ดีก็ได้ เราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรพวกเก่าหรือใหม่ไปชั่งเตออย่าไปพูดหรืออย่าไปทําในสิ่งที่ว่ามันแยกกันมันแยกกันอย่างที่ผมเคยเตือนที่เคยทำกันมาอย่างที่เรียกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยาไม่ชอบใจการพูดขึ้นมาก็ดีกว่า ไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้อย่างนี้เราบอคนเอ้ย อ, อย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเลยเรามาพูดเรื่องเราดีกว่านี่ให้สติกันในเร็งในคริมน่ะอย่างว่าท่านเปี้ยน่ะไม่เป็อย่างดีหรืออะไรอย่า ง, างเป็นย่างั้นอย่างนี้เราก็ฟังกแต่อบอกเอ้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเลย เรื่องคนอื่นเราจำเขาเอ า, เอาเรื่องเรานี้ดีมากเอาไว้นั่นก่อนอันนั้นมันเรื่องที่รั้งเรื่องเรามันเรื่องครั้งแรกเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเรามันเรื่องใหญ่พูดอย่างนี้ก็ให้สติคนนั้นคนที่เจนาอื้จริงคนมีปัญญาในมากพูดแบบ น, นี้ใครจะไปพูดขึ้นก็ดี แต่คนที่รังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่อัยวัญยามันไม่เข้าถึงัถ้ามีใครไปลองลอยนั่นดีควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้าลอยไฟเป็นใหญ่แตกกันแตกกันอย่าเราอาศัยซึ่งกันในกางอย่าอย่าพูดในทางที่มันจะแตกว้าวปัดให้คนแตกว้าว ยิจานณาไปก่อนเรื่องคนอื่นมันเรื่องเล็กเรื่องเราเป็นเรื่องใหญ่พิจารณาเรื่องเราดีกว่าอะไรเนี่ยคนพูดมากเราไปดูไนดะ้แต่เราเป็นคนพูดน้อยไปอยู่คนพูดมากเขาก็พูดมากเราก็พูดมากเลยมันมีทั้งอยูะ่ะล้ว ผมคอยอยู่กับพระแก่ๆมาพระนุ่มอยู่กับพระแก่ๆมาดูพระแก่ๆไปอยู่กบ่ดูผู้เฒ่าดูว่าเราผู้เฒ่ามันจะเป็นยังไงไหมดูว่าดูไปเรียนผมเรียนเรียนคนแก่เรียนเอาความเรียนเอาลูกเอาเรียนคเอาไอ้พอคนพูดเสร็จมาปุ๊บ ถ้ามันแค่ไม่เป็นธรรมเกิดขัดจูงในทางที่ไม่ดีแล้วนคนพูดมากเยกังเข้าไปสร้งทางแม่ตลอดไปวิสาบดีเหมือนกันใครพูดมากๆผมไม่ไปด้วยแล้วอย่างเดียวเดินเร็วกว่ า, าเขาฝ่ามันเร็วกว่าผิดสบายดีนี่พี่ว่าอยู่กับ อยู่ก็คนมากก็ต้องรู้จักอย่างนี้จะต้องมีปัญญาอย่างเงี้ยพอสมควรสถานที่ทุกแห่งจะให้มันจูุใจเราทุกอย่างนคนให้เข้าใจคนหู ม, มากอย่างคนในวัดตัเนี้ยใอวัดไหรก็ัตรนนะิย์น่ะทางญาติโยมทางพระทางเงนระ เราเราไม่สบายใจเพราะปฏิบัติไม่ค่อยจะดีอย่างนี้ถ้าเราไม่สบายอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรเราต้องคิดไปอีกว่าเอ๊ะพราะไม่ชอบคนทำอย่างนั้นไม่ชอบกนระโงนี้ไม่ชอบโยนคนนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่สบายนี่คือเหกุมัออนเะกิดขึ้น้าเราควรถามเราว่าเอ๊ะ เราจะเอาสิ่งที่สบายับคนจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกคนก็ถึงจะสบายจะอยู่ได้ใช่ไะ ม, มาสอนอวกเรานะถ้าว่ามีคนทุกคนจะต้องทำให้ถูกใจเราดทุกคนคถึงจะอยู่สบายใช่ไหมแลวตบถาเราสิและไปอยู่ที่ไหนมันจะมีมั้ย ให้เขาทำที่ถูกใจระมดทุกอย่างพอใจระทุกอย่างนั่นเราจรึงจะสบายภาวานาจึงจะสงบแต่โลกไหนจะมีอย่างนั้นมีมั้ย น, นี่เราต้องถามเราเองโลกไหนมีอย่างนั้นมีมั้ยโลกนี่แสนว่ามันจะวุ่นวายเพราะพุทธองค์ปรารุต ร, ตรงนี้ แค่ในประกาศตรู้ที่อื่นเรามันตรู้ที่ว่ามันวุดนวายคือโลกอันนี้นี่ให้เราเข้าใจอย่างนะ้นแค่พระเจในการตรู้ที่ถูกต้องก็เพราะว่าคนนินทากันคนชั้นเสลิมชันตันไม่ใช่ว่าคนชั้นจะเสลิมชันอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนนินทากันอย่างเดียวแต่ยมีสัญญาไม่ใช่อย่างนั้น บางทีเขาท่นานสนอขัดวังบางทีเขาดินคาขัดวังอันนี้ท่านเกิดท่านตัดรู้อันนี้ไม่ใช่เพียงแคตัดรู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่าท่านท่านทําอะไรแล้วปฏิวยัยมนุษย์ท่านหลายอนุมูธนาด้วยทุกอย่างใครเห็นด้วยทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นบางสิ่งก็ขัดบ้างบางสิ่งก็ไม่ขัดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านเราตัด ร, ตรู้ตรงนี้ ตรงที่มันติดต่อกันนี้่ตรงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาคนเราได้สิ่งที่ชอบใจสบายสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็ไปสบายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ชอบใจเราเราไปสบายเราจะไปอยู่ตรงไหนล่ะจะไปอยู่ที่ไหนก็จะทําให้ถูกใจเราทุกค น, นไปอยู่ตรงนั้นะจะไปตัดรูปตรงนั้นเลยตรงไหนมีเรเนี่ย เราต้องทาง้าปัญหาเราทีเลยเห็นว่าเออเก็ไม่มีล่ะทีนี้ถึงจะทำถูกใจเระบนทุกอย่างแล้วถึงจะสบายใจเงินเราไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในโลกเนี่นะไม่ต้องมีที่ปฏิบัตินี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้และต้องเน้นเข้มาในใจของเราเสมอทีเดียวถอยมาดูข้างหลังของเราถึงที่หลัง ถ้าจะเห็นเออเรื่องอันนี้เน่ยพระพุทธองค์ของเราจึงให้มีความอดทนย่งมีความเพียรเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุกลับไปกลับมาปิจนาย้อนกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยเรื่องภาวนาของเราผิดนะให้ความคิดของคนนีมันผิดนะ มันิดจะพึ่งว่ามันถูกแล้วต้องพิจารณาเราจะสอนจิตใจของเรานี้จะเอาอะไรมาสอนเอาจิตใจของเราไปสอนสอนจิตใจของเราจิตใจของเรามักต่ไม่รู้จะเอาคนไม่รู้มาสอนือไหอันนี้ก็น่าคิดนะ ผมเคยผ่านมาแล้วเคยผ่านเน่ยอารมณ์ตั้งหลายแล้วนี่มาไม่สบายใจเรื่องว่าจะเอาใจเราสอนตัวเราเองไอ้ใจเรามันก็ไม่สบายเอมันไม่รู้ละเนี่ยจเจ้าใครมาสอนนี่ยมันดีขึ้นล่ า, อาลองอูที หมุนนี่มันหมุนแต่ตามความจริงแล้วนหะมุ น, มนเรื่องตัวของเรานี่ยสำคัญมากไอ้ตัวที่มันรู้มันกระหุงแล้วใครจะมาสอนมราอย่างจิตเนี่ยมันเป็นใหญ่แต่แล้วนะ ยายตามปกติของตรงนมันดีใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วแม่มันเสียใจเกินไปอันนี้ก็ผิดแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างไรรักมันก็ไม่ถูกเปลียนมันก็ไม่ถูก <Uncle. S 1> จะทำไงพี่เรามันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเอาใครมาสอนจิตนมัน รู้จัดทางยาวไปมาตอออย่ามาพูดตัวกิดของเรากิดมันก็เป็นคนหลงแล้วตาวไปมาต่อแบบนีานี่ให้คำหนึ่งถึงว่าบางสิ่งเาเป็นเคยเคยเป็นกระวาตมาหรือเคยเป็นอะไรมาก็ช่างเถอดเมื่อกิเรียนมันเกิดขึ้น นึกอยากได้สิ่งใดเกิดขึ้นมาในใจแต่ของนั้นไม่เป็นของคนอื่นเราอยากได้แลวก็อยากนะก ล, ล, นะลัวจะของเขา้ากอบัวอย่างนี้มันมีสองอยู่แล้วจะไปหยิบมาพกเขากรอบคัวจะของเขาจะปล่อยที่งต้นก็อยานดูที่อะไรจะเป็นยังไงบ้างนะลองๆองที เตาเจอนความจริงมันมันมีอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่จะทิ้งมันก็เสียดายจะเอากังวัวจะของเ่าดูเรียมเป็นไงนี่ดูตรงนี้เถอะมันมีรู้จักที่ถิดถูกดูนั่นแต่มันไม่มันไม่ชัดมันไม่ชัดเจนถ้าเราเห็นโทษมันยังชัดเจนเลยน้าก็ไม่เอือนหูเสียบของ ถ้าเห็นไม่ชัดแม่ก็เอื้อดมือไปเอาของเขามาฉะนั้นเราคำหนึ่งถึงว่าพุทโธพุทโธพูดถึงกัมเนิที่เราภาวนามาครั้งแรกครูบาอาจารย์สอนมาพุทโธพุทโธพูดเด่งก็เลยพูดเด่งท่านพุทโธพุทโธอยู่ดีๆ ไอ้ความเป็นจริงพุโทโธเนี่ยท่านสอนตอนเมื่อท่านอยาจะรู้มาอ ะ, อะไรกพราท่านตื่นแต่ว่ามันจริงพุโทโธนี่รู้พุโทโธนี่ตื่นจิตนี่รู้ไม่ตื่นรู้ไม่ตื่ถ้าเป็นพุทโธรู้ตื่นได้กระเบิดบานจิตนัรู้มันไม่ตื่ไม่รรกร บ, บิา น, น, น, านถ้าพุโทโธรู้มันตื่นมันกระเ บ, บิาน ถามีความรู้เกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละแปลว่ามันรู้ขึ้นแนี่มันเืิกบานเนี่มันตื่นอันนั้นนะตัวนั้นนะมันจะรู้เรื่องของจิตว่ามันเป็นอย่างไรยแล้วรู้เนี่ยตัวนี้เราจะสอนจิตเราได้ไม่ใช่อื่นไ่ยรู้แล้วมันตื่นแต่มันเบิกบาน ตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนีเสน่าพุโทโธพุโทโธมันรู้รู้แต่มันตื่นมันร่วงแต่มันเบิกบานด้วยตัวจิตของเราแท้ๆนะ่ะธรรมาชาติดเองรู้มันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานมันตึงไม่ชัดมีความรู้อีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นในที่ตรงนั้นแหละแต่ว่ามีความรู้ยิ่งกว่านั้นเอมันจะอาจจะรู้จิตของเราามั่กจิตหลตัวนั่นจะสอนจิตของเราได้อันนี้พูดถึงการปฏิบัติไม่พูดถึงแบบเราหลงจิตมันกรหลงก็ภาวนามันกระหลงภาวนาในหลงนั่นแหละถุมไปถุกมาถุกไป เาจะเห็นชัดมันเสมอว่าตัวผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นมามันก็รู้จักจิตรู้จักวิสัยของจิตรู้จักกิริยาของจิตมันไปไปพจน์มือเราหรอกแค่นั้นมันจิตมันไปขนาดไหนก็ช่างเดินผู้รู้ยืนตัวอยู่ผมเคยพูดอย่างว่าเด็กๆเด็กๆที่มันเป็ น, ปนลูกหลานเราเนี่ย มันต้องอาศัยพี่อาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่ถึงจะปล่ยอยมันไปเลื่อยมันก็เรื่อตามเรื่องของมันรู้กับรู้ตามภาษาเด็กๆแต่รู้ว่ามันไม่ตืน่นมันไม่มรู้สปอร์รู้มันไป้พ้นอันตรายรู้มันเอาเอาชุานรอดอันตรายไม่ได้ภาษาของเด็กมิฉะนั้นจะต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่ พูดที่มีความรู้ยิ่งกว่าเด็กนั่นไปอีกจึงจะรู้จากเออเด็กนี่มันไปจากเป็นอันตรายมันจะไปตกบ่อมันจะไปตกเหวมันจะไปสะดุดหัตจอมันจะไปต้มน้ําอะไรอย่างนี้เด็กๆมันไม่รู้เรื่องมันรู้อย่างนั้นท่านเนี๋ยวรู้แล้วมันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานผู้ที่รู้แล้วตื่นเบิกบานคือพ่อแม่ จะต้องรู้อันตรายจะเ ก, กิดกับเด็กเมื่อเด็กมันไปตรงไหนก็จะปวดรอยไปตามนั้นนี่ก็เรียกว่าพ่อแม่ต้องต้องรักษาเด็กเพราะมีความรู้ดีกว่าฉลาดกว่ารู้เรื่องกว่าเด็กอันนี้ก็มือนกั น, นเมื่อเราบล็กความมาพูดถึงเรื่องการภาวนาของเรานั้นมาพูดเกี่ยวกับผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาในจิต น, นั่นเองะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้นี่มันรู้ยิ่ ง, งกว่าจิตของเราแล้วรู้ฉลาดกว่าจิตของเราแล้วเปิดบานกว่าจิตของเราแล้วตัวนี้จะเป็นผู้สอนจิตของตัวของเรานั้นให้ฉลาดจิตของเราที่จะฉราดจะต้องอาศัยความรู้อันนี้ที่เรียกว่าผูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ลักษณะจิตบามื่กีมันชอบคนนั้นแล้มันเกลียดคนนี้เนี่ยมันอยากจะไปตรงโน้นมันอยากไปตรงนี้ผู้รู้ผู้ตื่นจะรู้ชัดเจนว่ามันไปถึงแค่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยแต่ตันเดี่มันคิดแต่มันไม่รู้จักเหมือนเด็กมันทำอยู่มันรู้จักขอเมินแต่พ่อแม่รู้จักนี่เมื่อความรู้อันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันจะรู้จักจิตของแกของ มันจะรู้จักการอบรมจิตของเจ้าของรู้จักการสั่งสอนอจิตของเจ้าของฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์หรือรูบาอาจารย์ท่านเน้นว่าในการปฏิบัติต้องปฏิบัติไปเถิดอย่างท่านมานั่งสมาธิมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างปรดูนเยอะไรจะมันเกิอดอยู่ตรงนั้นมันไม่สงบเพราะอะไรมันเป็นอะไร มันสงบมันเป็นอะไรเพราะอะไรเนี่ยมันรู้จักตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นก่อนต้องต้องทำไปเรื่อยๆไปทําไปนานๆ น, นี่พระพุทธองค์นอนุนเจริญไงมากเพ่งไงมากทํำไง ม, มากนี่คือทํำไง ม, มากเพ่งไงมากนี่เราก็ต้องพิจานาอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆไปไอความรู้ความฉลาดของเรานั้น มันจะเกิดในที่นั้นแหละเราเพ่งตรงไหนพิจารณาตรงไหนมันจะเกิดรู้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันรู้อย่างอื่นหรืมันรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ความโง่ตรงนั้นะที่มันจะให้ความชาดเราไอ้สิ่งที่มันผิดตรงนั้นน่ะมันจะให้ความถูกของเราไอ้ริ่งที่มันรอดตรงนั้นน่ะมันจะบอกกราไปสู่ความเย็นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ให้จับจุดตัวอย่างนี้เรื่อยๆไป อันั้นผมจึงบอกเสมอว่าเจ้าเหมือบไห้มันมีปัญญาเรื่องสงบจิตเฉยๆมันไปสงบจิตไม่ไสงบจิตเรื่องสงบจิตต้องมีปัญญาทุกอย่างทุกอย่างจะต้องอาศัยปัญญา อ, อาศัยปัญญา ปัญญามันก็ต้องอาศัยความสงบถูกก็อาศัยความมันผิดมันถึงจะรู้จักผิดก็ต้องอาศัยความถูกมันถึงจะรู้จักร้อนก็อาศัยความเย็นยินอาศัยความร้อนทุกอย่างคูง่ง่ายๆระบบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มเป็นจริยธรรมในโลกนี้มีอยู่แล้วแต่เราไม่ชัด แต่เราเห็นไม่ชัดเห็นยังไม่ชัดถ้าเห็นชัดก็พลิกโลกนี่เองกมันจะอื่นใดมันเป็นโลกะวิทูรูดแจ้งมัแจ้งในโลกมืดก็มือดอยู่ในโลกลนี่เอง่ใอืฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยให้หยอกให้ลกใครพูดให้ฟัง ถึงแม้ว่ามันจะขัดใจเราก็ต้องฟังก่อนเราไม่เห็นด้วยราต้องฟังเราเป็นคนฟังฟังก่อนเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดผิดก็ฟังเราเข้าใจว่าเขาพูดถูกก็ฟังฟังมันทั้งผิดทั้งถู ก, กเพราะแะไมันจะเกิดนางอย่าง เป็นคนฟังตั้งช่ำรัทิฏฐิมานะมานะแต่แปลาตามศัสต์แบบมานะคือความยึดมั่นถือมันทิฏฐิคือความเห็นในความเห็นนั้นพระพุทธองค์ท่านไม่ห้ามหลอกเห็นไมเถอะแี่ยังไปผูกมั่นมันไว้ จะไปหมายมั่นหมายมั่นมันเป็นตัวอุปทานอุปทานได้เกิดภพเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติจะต้องเกิดตรงนั้นชาติก็จะเกิดชรลาพยาธิมณโสรกปริเวาทุกไปเลยทรงออกไปนอกเลยเราจะมั่นหมายได้เกิดเป็นตัวอุปทานนี้เองละ่ะมันเป็นเหตุในภพเกิดึ้น แค่นั้นคิดทีนั่นเรียกว่าความเห็นมานะเสนนี้ก็ยึดไว้อย่าไปยึด ม, มันเห็นใจมารินไปเถอะนะยึดไปนพูดง่งยๆเลยว่าคนหนุ่มมันต้องเป็นเห็นสิกามานึกชอบเลยทีเดียวให้มันชอบไปเถอะนี่เข้าใจมันเลมันชอบไปเถอะจะกดรอยตามมัน เอาวันปีนาทีหลังไม่ทัน่างนันปีนาทีหลังแง่งัดมันเเรื่อยไปเนี่ยนะเรื่องชอบเนี่ยเรื่องหลงอยู่ตรงนั้นเรื่องไม่หลงก็จะอยู่ตรงนั้นจะหนีมันได้ยังอยู่ตรงนั้นอันนี้เรื่องจิตใจของเราแต่มันยุ่งอยู่ในโลกมันก็แย้งอยู่ในโลกแล้วมันจะไปตรงไหนล่ะอันนี้ความรู้สึกอย่างนี้เราปฏิบัติของเรา อย่าไปเข้าใจว่ายางอื่นแต่ว่าให้เป็นคนที่เรียกว่าพูดค่อนข้า ง, งน้อยอย่าไปอ้างอวดวลมฉลาดวดดีแต่ให้วังให้รู้จักให้มีการปล่อยวางในใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่ายึดใหญ่มั่น ยึดมาดูได้ก็ปล่อยยึดมาดูแต่บอกว่าเรียกว่ายึดใหญ่มันถ้ายึดมันมันเป็นภพมันพพกด็กก็เกิดมันนี่เกิดเด็ก็มีตายอย่างนีน้ตรงนี้เป็นตรงที่สําคัญที่สุดขนาดที่เร้ว่าเราทำใหม่ เราไม่พูดถึงขนาดนั่นนรอกพูดถึงแบบ ก, การทำสมาธิบางทีมันก็ฟุ้งบางทีมันก็สงบคือเรื่องธรรมดาเหลือเกินไม่ต้องไปเสียใจกับมันไม่ต้องไปดีใจกับมันในบางมันเป็นอย่างนั้นแล้วกระผมก็ชี้อันหนึง่งพี่เลยพี่ได้ผลมาแล้วนะที่เอาตัวรอดมาแล้วคือเรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายจะมันเกิดขึ้นมา มัน ม, มีเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีสมมุติมันหยัดขึ้นมาตาหาูจมูกลิ้นกายจิตอย่างนี้ตาเนี่ยถ้าพูดัง่ายๆเลยตาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรไม่มีแสงมีแสงไฟไม่มียะไม่มีใ น, ในตาของเรา มันอาศัยแสงไฟนอกมันจึงเห็นมันถึงมีนี่ให้เข้าใจเงี้ยของตอบมันโหเนี่ ย, ปนะ เ, ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเสียงอยู่ในนี้นะโนเสียงเครื่องไฟมันดังไปโน้นเลยนะ ก, กระทบกับมานไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้นะมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้อจมอูกเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นอย่างนี้ ไม่รู้จักรีดก่นะอนมันจะมีกลิ่นมันอาศัยกลิ่นภายนอกเข้มาเอาไปเพีนนะเพนะอ็นอาร์นะเยอะนะไปพีนาร์ดูนะไ่มีอะไรทั้งสิ้นนะ่นะนรถมันเกิดจากกรีดของเราพอดีนะรถไม่มีไม่มีรถมันอาศัยอืย่นมากระทบเข้ามันยิงเกิดรถรนะตัวมันแท้ๆไม่มีอะไรหูนี่มันไม่มี เมื่อโภต้าเมืนอโภตา้ธธตาร่างกายกำงโพตป า, านีไม่มีอาศัยอยื่นมากระทบมันจึงรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็มีให้ไปเจนารูุไปถึงที่มัหนึ่งมันจะเกิดเป็นนี้่ทำมารม้ม อันนี้เป็นจริงที่บังเกิดขึ้นตะพี้นะนี่เดียวอายตนะมันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องปฏิบัติแท้ตาหูจมูกเลี้นตาใจอะไรที่ะมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทั้งหงเนี่ยปล่อยมันเกิดขึ้นมาเลยอันนั้นที่เรียกว่าแม่มันมันดีดีแต่เราก็บอกว่าห้ามมันจะ มันจะเห็นแก่ตัวตรงเตือนมั่นนะ่ะไม่ใช่ดีฉันชอบไม่แนะ่นี่เตือนเหมือนจะยังงั้นมันจะเห็นแก่ตัวนะอืมนะเบาหวาไม่แน่ถ้าไม่ไแน่ก็พูดที่หมายความรู้สึกคนกลัวลนี่นึกว่าจิดไม่จริงกันแะล้วนึกว่าใช่มไม่ใช่มันวางออกไปชัดตื้นเลยแต่ปัญญาพิจารณาตามไปพิฉะนั้นเรื่องอนิจจงนี่จะเป็นเรื่องทุกขระบบที ต้องติดตามถ้าใครพูดอะไรทำอะไร ไ, ไม่มีเรื่ององนิจจ์น่ยขาดปัญญาเลยไม่ใช่นักบวชลองดูนะลองลองดูอะไรการพูดจาปราศัยการคิดการอะไรทุกประการน่ยจะต้องอาศัยอนิจจ์ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงคือว่ามันไม่เที่ยงผู้ประทานเราจะเข้าไปเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันไม่เอารับมันถอยเนี่ยอามันเป็นแค่ ไอ้ของแน่เราเพิ่งจะเอาถ้ามันไม่แน่มันก็ถอยเลยสนะถ้าเราทวงมันพุบมาไปละมันโกรธคนเอ้ยม่แน่เราเพิ่ก็ถอยมามันซื่อตัวมันนี่ไม่หมายมั่นไม่ผูกมั่นไม่ผูกเก็มนีอถ้าเราหมายมั่นแล้วมันแมวมันยิงตัวตายยิงคนอื่นตายรอกมันไม่แน่มันก็ถอยกลับมันซื่อตัวมันอันนี้สําหรับที่ดีว่าปฏิบัติธรรม นะเรื่องที่ว่ามันไม่แน่นะั่นเองนะเป็นตน้นมันเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกของนักปราชญ์แล้วมันจะค่อยๆเกิดปัญญาตรงนั้นแนะ่ะลองลองดูสิลองลองดูสิไปพูดกับคนนั้นคนนั้นดูทุกทีหืมไม่แน่ว่าดีดี เ, เ, เ, นนนนเดี๋ยวจะเปลีความแน่ตอนตื่นนี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะจับไว้ให้ใจอย่าไปข้ามสิ อารมณ์ของอิปัสนาคืออนิจังรถูกขังในตานี้เป็นบ่อที่ให้เกิดปัญญาจะแท้ทำเรื่อยบอกเรื่อยมันจะรักมันจะโกรธนะโตอันนี้มันไม่แน่พอไม่แน่ปุ๊บมันแบกมาเรื่อยๆแบเป็นอีกแนายึดเต็มที่ถอยมาครึ่งนี่ ไอ้ควรตอนที่จะเดินกลับไปอีกเราคอยกลับมายืนดูอีกทีหึ่งอันนี้จะเรียบบูบมาหลายอย่างแม่เป็นเหตุให้เราเห็นแก่ตัวด้วยอะไรหลายๆอยางเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้จังตุกขังนิตานนี่เป็นบทบาทดีที่สุดจ้ะลองอดูสีแต่มันไม่แน่แจ้งในก็อยากยั่งจิตของเราอันนี้อันหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องสงบกิเล ตัวปัญญาตัวสมถานมันเป็นเรื่องสงบกิจตัวปัญญานี่จะเป็นเรื่องสงบกิริจะเผาขันธ์ขี่หมดใหตตายอย่างนั้นถัดจึงดูตาหงงูงจู้บุรีนปลายจะอายนตนะนี่ละอารมณ์มาเกิดตรงนี้มมนจะเกิดที่ททอืน่นมนเกิดเดียวนี้ฟังเสียงเดียวนี้เกิดเดียวนี้มันจะเกิดที่อืน่น เกิดเวนี้เบื่อที่นี้ยึดที่นี่หมายที่นี่โกรธที่นี่รักที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาไปพิจนารณาเอาไปพิจนารณาฉะนั้นสันที่งาคือปัจจุบันอย่าไปเข้าใจอะไรมันฝังอยูน่นี่นานแล้วนานแล้วอย่าเข้าใจอย่าง น, านั้นว่ามันเกิดเดียเดเด๋ยวนี้ เดือนเดูเดืตั้งบัญหยันคืนเดียวนี้ตั้งสมมุติคือเดียวนี้บัญญยันคือเดียวนี้ปัจจุบันนี้เดียวนี้นี่แตให้ทันในปัจจุบนันนี้นี่ย่างงั้นกันยังไงวยจะตามไปอดีตจะตามอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้ชี้แจงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ไม่แน่เนี่ย อนาคตย่างนั่นอดีตยันไม่แน่ในปัจจุบันนี่กีดฝังแล้วปัจจุบันไม่แน่นี่เป็นเหตุจะเกิดนี้เป็นปัจจุบันดังนึ้ถึงอดีตก็รู้จักเป็นอดีตนะอนาคตมันเป็นอยังไงนักเวตาสมารู้นะตอนอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเรายึดเราก็ยึดในปัจจุบันนี้ถ้าเราปล่อยแล้วก็ปล่อยปัจจุบันนี้เพราะมันเป็นปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดมานานนะมันเกิดเดี๋ยวนี้ ยังตายเูเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบทางนี้เมื่อเกิเดเรียนถือปัจจุบันนะอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนตัวของเรามันใครจะเป็นไม่เป็นทุกข์ล่ะือบวชมาก็าจะไม่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกคนมันมีตัณหาทุกคนมันอยากทุกคน เดว่ามันก็หายโทษทุกคนดูที่ดูกพ่อลูกจ่าอย่างเงี้ยอยากทุกคนมันค่าที่ทุกคนอย่างเนี้ยกล้าจะเซ็นกล้าเลยกลัวก็กลัวเลยมันหลอกจนไมาอยู่สตินนี่นมันเป็นได้อย่างนี้เราเห็นในง่ายๆตรงนี้ฉะนั้นอ่ให้เราเปิดไปดูไว อย่าปิดประตูสมุดที่ว่าเราฟังธรรมมาสมุดของความรู้สึกของเราอย่าไปกัน้นอย่าไปปิดประตูฟังฟังทั้งหมดใครจะพูดผิดจะบอกฟังว่าพูดถูกจะบอกฟังมาเป็นคนฟังนาไปปฏิบัติอะไรมันเสียหายเราเอาไปที่อะไรไม่เกิดประโยชน์ราทากานี่นี่ว่าเราเป็นคน ปส น, ป น, นอยนปฏิบัติถ้าเรามาคิดอย่างนี้นี่นะเราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนที่ครูอาจารย์เคยผมก็เป็นนักเที่ยวของกันกันแยวไม่เคยได้นนประโยชน์ปง เทศาลอาจารย์ท่านบอกว่าเ อ, อ้เที่ยวมาหลายปีแล้วะยุดสักปีก็ ด, กดีไปทุงในปฏิบัติน้าไปเที่ยวหาเสนาสนะที่พอดีกับบ้านใกลนะักหรนะือไใก้นักอาหารมิตรบาทพอในฉันมีครูวารจารทร์สงใจเกิดขึ้นมาแล้วในเรียนถามได้ตรงนั้นแหละ อยู่เถอะปฏิวัติตรงนั้นนี่อาจา ก, กวาเดี๋ยวนี้มอมูนีทีิสันชี่เลยข้างหน้ามันจะคอยเห็นกันมาดีดีดีดีดีดีอันนี้มันการทำใจให้มันเย็นเย็นการประพฤติปฏิวัติคนมันโกหกอารมมันก็นโกหก วิ่งกับคนเกินไปไม่ได้ยิ่งกับอารมณ์มาไม่ได้โกหกมันเรื่อโกหกนะถ้าเราคิดอย่างนี้รู้จักเรื่องงแล้วก็รู้จักจิตของเราอย่างนั้ น, น, นผู้ที่ถูกบวชมาใหม่ๆก็ค่อยๆทาไปหาความฉลาดในการทำของเราอรันนี้ก็แจ้งวันเถอะการที่ห่มผ้าการเที่ยวมิตรบาดการโขบชั้น การพูดจาปราศัยการท่านทำกิดวัดทั้งหลายเหล่านี้ให้คป็นคนฉลาดให้มันดูเรื่อง